ภาวนาของเราให้มากๆ ม, มีคนชาวนานะชาวนาอยู่กระสินเคยมาตอนมาลาไปไปทำนาอยู่กระสินเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้อยู่ทางภาคกลางนี้ละอยู่ไกลครูบาอาจารย์เขาจะทำยังไงดีบอกจริงๆครูบาอาจารย์ของการภาวนาเนี่ยคือกายกับใจของเรารูปนาม ถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานนะเราก็มาเรียนรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรูปนามกายใจนี่แหละสอนไตรลักษ์ตลอดเวลาไม่มีใครสอนไตรลักษ์เราได้มีแต่รูปกับ น, นามนี่แหละสอนไตรลักษ์เราตลอดมันตลอดคืนนะแสดงตลอดพระพุทธเจ้าเป็นแค่คนบอกทางนะเป็นผู้บอกทางหลวงพ่อเป็นแค่คนจําทางมาบอกพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เราจํำไหมเอามาบอกต่อ ทางและทางของการเจริญสติเจริญปัญญามารู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามไปไหนเราก็มีรูปนามมีกายมีใจไปด้วยจะขึ้นเขาลงห้วยนะไม่เคยไกลครูบาอาจารย์เลยให้มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไหมแต่ภาวนาติดขาดจริงๆนะเปิดซีดีฟังมีทุกคําตอบเลยมีคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะมีเยอะมีครบนะ คําถามเรื่องอื่นไม่มีเรื่องนอกๆนั้นนะไม่เกี่ยวหลวงพ่อพูดแต่เรื่องภาวนาเงินอยู่ตรงไหนนะก็มีครูสอนอยู่ตลอดไม่เคยไกลครูบาอาจารย์ตอนหลวงพ่อหัดภาวนาเราอยู่กรุงเทพครูบาอาจารย์นะั้นอยู่ไกลอยู่สุรินทร์อยู่อุดรห น, นองคายอยู่เชียงใหม่นครพนมอนะไรอยู่ไกลแต่ละองค์กาลสินมี ก่อนตะเวนไปเรียนจากท่านที่ใกล้ที่สุดนี่โคราชหลวงพ่อพุธนั่งรถก็หลายชั่วโมงอยู่สมัยโบราณนั่งถนนไม่ดีอย่างเดี๋ยวนี้ไปกว่าจะไปกลับพระวันหนึ่งเต็มๆครูบาอาจารย์อยู่ไกลแต่ไม่เคยคิดว่าเราจะเสียเปรียบคนอื่นนะพราท่านสอนให้เรามาดู ก, กายดูใจแล้วดูของเราทั้งวันเลย อย่างหลวงพ่อพูดสอนกรรมฐานนะสมัยฟังแรกๆฟังไม่เป็นน่ะรู้สึกว่าตื้นๆไม่น่าสนใจเท่าองค์อื่นนะแต่ว่าอยู่ใกล้ก็ไปบ่อยความจริงเราโง่มากเลยท่านสอนกรรมฐานดีมากท่านบอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดใครเคยได้ยินใครเคยได้ยินเวลาท่านพูดท่านพูดช้าๆนะท่านไม่พูดเร็วอย่างหลวงพ่อเราพูดเร็วไม่ไหวเพราะท่านพูดทั้งวัน ท่านไม่มีเวลากำหนดช่วงแรกๆนะไปหาท่านท่านอายุหาสิกว่าปีอายุเท่าๆหลวงพ่อตอนนี้แต่นั้นท่านเทศทั้งวันพอท่านไม่กาหนดเวลาท่านเทศไปเรื่อยๆสุดท้ายท่านเทศไม่ได้ไม่มีเสียงเป็นมะเร็งเป็นอะไรกล่องเสียงท่านสอนมาฐานดีมากเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิด ถ้าเราเคยติดแต่กรรมฐานนั่งสมาธิมากๆนะเราฟังของท่านรู้สึกตื้นตื้นแต่หลวงพ่อรู้ว่าท่านภาวนาเก่งนะตอนนั้นฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดหลวงปู่ดูลดดบอกให้ดูจิตเราเค่อยันดูไปหาหลวงพ่อพูดท่านก็พูดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดพูดอย่างนี้ทุกครั้งเลยความจริงท่านพูดกับทุกคนเลยถ้าใครไปเรียนกรรมฐานท่านก็พูดแบบเนี้ย ถ้าภาวนาเป็นแล้วจะเข้าใจเลยท่านสอนหลักของการปฏิบัติที่ดีมากเลยท่านให้เรามีสติตามรู้ไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนั้นมีสติยืนนั้นใครยืนไม่ใช่เรายืนนะรูปมันยืนใครเป็นคนรู้นามมันเป็นคนรู้นืร่างกายมันยืนใจเป็นคนรู้นี่ยใครดูไปจะเห็นยืนเดินนั่งนอนร่างกายมันยืนเดินนั่งนอน ใจเป็นคนรู้แล้วมันยืนเดินนั่งนอนได้เพราะอะไรเพราะใจมันสั่งงั้นรูปกัเนี่ยสัมพันธ์กันตลอดเลยรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเกิดขึ้นได้เพราะจิตมันสั่งแล้วจิตนก็เป็นคนรู้รูปนี่มันรู้แล้วมันโง่มันก็ไปคิดว่าเรายืนเดินนั่งนอนท่านสอนให้เรามีสติตามรู้ไปนะเราเห็นรูปเป็นยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นอย่างนี้ ใครกินรูปมันกินใครสั่งให้มันกินจิตมันสั่งรูปมันกินแล้วใครรู้จิตมันรู้เห็นไหมท่านสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มนี่ก็เหมือนกันรูปมันดื่มจิตมันสั่งให้ดื่มจิตมันเป็นคนรู้เห็นรูปมันดื่มทำน่ะทำรูปมันทำเห็นไหมจิตเป็นคนรู้จิตเป็นคนสั่งพูดน่ะจิตมันพูดก่อนเห็มแล้วปากมันก็พูดตามที่จิตสั่ง <Yeah. S 2> แล้วใครเป็นคนดูถ้มีปัญญามีสติแกะกล้าใครเป็นคนพูดรูปมันพูดจิตเป็นคนดู mm hmm. ไม่ใช่เราพูดงั mm ้น hmm. ยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทำพูด mm hmm. รูปนามมันทำงานคิดนะใครคิดสมองคิดไหมสมองต้องอาศัยสมองนะคิดแบบมนุษย์อ่ะไม่ใช่ไม่มีสมอง อาศัยร่างกายด้วยอาศัยจิตด้วยรูปกนามันทํางานด้วยกันนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดจิตมันคิดได้เองรู้สึกไหมจิตมันคิดได้เองปากมันพูดได้เองไหมปากมันจิตมันสั่งให้พูดแต่บางคนสติไม่เร็วนะก็รู้สึกปากมันพูดไปเองเนี่ยพวกไม่มีหลักการปากมันพูดเองไม่ได้จิตนต้องสั่ง เคยได้ยินไหมเวลาพลั้งปากไปด่าเขาบอกอุ๊ยปากมันว่าไปเองอุทธร์ใส่ปาก<_<_>ปากละเวรกรรมมากเลยถูกใช้งานสารพัดเลยนะยังจะถูกว่าอีกแล้วปากไม่ดีจริงจรจิตไม่ดีอุทธร์ว่าปากไม่ดีปากมันพูดไม่ได้เองหรอกเหลวงพ่อพูดสอนนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนะสอนให้เรามีสติรู้รูปนามนั่นเอง วันๆเรามีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมหลักๆในชีวิตเราคือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนั่นเองถึงเวลาท่านก็ให้พุโทโธไปให้หายใจไปไหวพระสวดมนต์พุโทโธหายใจให้จิตใจมีความสุขมีความสงบฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วก็ดูยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเห็นรูปเห็นนามมันทำงาน นี่ถ้าเรารู้หลักของการภาวนานอย่างนี้นะเราไม่รู้สึกว่าเราไกลครคลูบาอาจารย์เรามีครูบาอาจารย์อยู่กับตัวตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยฟังเาไม่เคยเรียนเราละเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองใกล้กับใจนั่นแหละสอนธรรมะเราเขาสอนธรรมะเรื่องอะไรเรื่องใจรักษณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายก็สอนอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็สอนอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา จะคอยรู้คอยดูไปนะมีสติตามดูเข้าไปเขาแสดงใจรักอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นใจรักเพราะเรามวแต่ไปคิดเรื่องอื่นเราไม่สนใจที่จะดูมันไม่ยากเกินไปเลยที่เราจะเจริญสติจเจริญปัญญาแต่เราละเลยที่จะทำเท่านั้นเองถ้าเราไม่ละเลยนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปพี่ยากอะไรความรู้สึกทั้งหลายเราก็รู้จักอยู่แล้วอย่างยืนเดินนั่งนอนรู้จักไหมยืนเดินนั่งนอนรู้จักใช่ไม กินรู้จักไหมดื่มรู้จักไหมทํารู้จักไหมพูดรู้จักไหมคิดรู้จักไหมรู้จักหมดเลยกิเลสตัณหาทั้งหลายรู้จักไหมโลภโกรดหลงเป็นไหมเห็นไหมเรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างจะกลัวจะอิจช้าพยาบาทจองเวนอาฆาตแต่ละคําแต่ละคําดีกรีไม่เหมือนกันเราแยกออกไหมระหว่างกลัวกับเกลียดไม่เหมือนกันดูออกไหมอิดช้ากับกลัวอิจช้ากับเกลียด เป็นโทสะด้วยกันแต่ไม่เหมือนกันใช่จริงเรารู้จักอยู่แล้วสภาวะทั้งหลายไม่ยากหรอกที่เราจะรู้นะแต่เราลาเลยที่จะรู้หลวงปู่ดูลเยสอนหลวงพ่อนะคำแรกที่ท่านสอนเลยาการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเพราะว่ากายกใจรูปนามของเรานั้นแสดงธรรมะอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วเราก็รู้จักด้วยอย่างยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้จักใช่ไหมตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหม เพียงแต่เราโง่เท่านั้นตอนนั่งอยู่เราไปคิดว่าเรานั่งถ้าหากจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆนะจิตมันถอนลงมามันเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูจะเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูปุ๊บไม่ใช่เรานั่งอีกต่อไปรูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งนะยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันหมดเลยถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้มันก็เห็นรูปมันยืนเดินนั่งนอนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตหลงคิด ไปอยู่ในโลกของความคิดมันเป็นเรายืนเดินนั่งนอนเรากินเราดื่มเราทําเราพูดเราคิดมีเราขึ้นมาที่จริงความเป็นเราไม่มีหรอกความเป็นเราเกิดจากความคิดเอาถ้ามีสติมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาก็าจะเห็นรูปเห็นนามเขาทํางานใครโกรธเราโกรธหรือหรือจิตโกรธ ด, ดูให้ดีนะถ้าคนภาวนามานไม่เป็นเขาเราโกรธ คนภาวนาเป็นแลเห็นจิตมันโกรธจิตมันปรุงความโกรธขึ้นมานะแล้วความโกรธมาปรุงจิตเนี่ยมันกลับข้างกันสลับกันผลัดกันทํางานจิตปรุงความโกรธขึ้นมาแล้วความโกรธมาปรุงจิตงั้นจิตปรุงกิเลสกิเลสปรุงจิตอย่างนี้นะแต่บางทีมีคนจํากลับกลับกันนะที่หลวงปู่ ด, ดูลยสอนจำจำจำสลับกันมี มีอยู่นิดหน่อยจริงจิตปรุงกิเลสขึ้นมากิเลสหน้ากลับมาปรุงจิตที่รู้ไม่เท่าทันจิตปรุงกิเลสก็เพราะขาดสติขาดปัญญากิเลสปรงจิตได้ก็เพราะขาดสติขาดปัญญาก็ปรุงกันไปปรุงกันมาจิตปรุงกิเลสขึ้นมาจากอนุสัยมีตะ ก, กรกิเลสซ่อนอยู่ภายในเหมือนตะ ก, กรอยู่ก้นตุ่มน้ําคนรุ่นเราไม่ค่อยรู้จักตุ่มน้ำนะํำละ เดี๋ย น, นี้รู้จักแต่ถังถังสีฟ้าสีเหลืองสีแดงอะไรน่าสงสารนะเห็นแต่ถังไม่เห็นตุ่มมังกรใครเคยใช้ตุ่มมังกรบ้างไหมใครเคยใช้ตุ่มแดงๆดงตุ่มแดงแดงโหพวกนี้เก่าแก่ <laughs> ถ้าเด็กๆเขาใช้แต่ถังเวลาเราเอาน้ําใส่ไว้น้ําใส่ส ทิ้งไว้นานๆนะมีตะกอนตะกอนจิตเราดูว่าใสา ๆ, จๆจริงๆจิตมีตะกอนตะกอนของจิตนะเรียกอนุใสนะประรีมตกตะกอนอยู่มองไม่เห็นก็รู้สึกว่าจิตใสๆดีเรามีอะไรมากระทบในชะ่ไหมเอามือไปกวนน้ำตะกอนก็ขึ้นมาก็ เ, าเห็นน้ำสกปรกจิตนะดูใสๆถ้าเวลาไม่มีอะไรมากระทบนะดูใสๆเรียกประพัดสอน สะอาดไหมไม่สะอาดแต่ประพัดสอนผ่องใสน้ําในตูมันสะอาดไหมกินเข้าไปอาหิวาจะกินเราก็ได้สกปรกแต่มองไม่เห็นนะมีตะกอนเรามองมันตกนอนก้นอยู่ไม่เห็นงั้นจิตเนี่ยโดยตัวของมันเองนะถ้าไม่มีอะไรมากระทบนะมันจะดูใสใสถ้ามีภัสสะมากระทบแล้วตะกอนของอนุใสก็จะฟุ้งขึ้นมาปรุงขึ้นมาก็ดูว่าจิตมีกิเลสหยับหยับขึ้นมา งั้โดยตัวธรรมชาติของจิตเองไม่สะอาดหรอกไม่สะอาดแต่ใสใสกับสะอาดไม่เหมือนกันนะโคราณประพัดสอนกับบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งเคยสอนบอว่าจิตบริสุทธิ์ท่านบอกว่าจิตมันมีธรรมชาติใสมันผ่องใสมันประพัดสอนแต่มันเศร้าหมองเป็นคลาวๆเพราะกิเลส ท, ที่จอนมาเหมือนน้าที่มันถูกกระเพื่อมแนละ้วอะไรเป็นตัวไปกระเพื่มน้ำํำอย่างเอามือไปคนมันนะ น้ำก็เพื่มผัสสะเพื่อทำให้จิตกระเพื่มอย่างั้นถ้าไม่มีผัสสะจิตโดยตัวของมันก็ใสๆอยู่ไั่นหละไม่มีอะไรแต่พอมีผัสสะมากระทบเนื่อจิตก็เพื่อมตะ ก, กรนก็ขึ้นมาก็จะเห็นเลยโอ้สิ่งโสโครกมากมีแมงสาบตายอยู่ตัวหนึ่งด้วยขึ้นมาแล้วเห็นแมงสาบโผลขึ้นมาหรือว่าเป็นแค่เศษอะไรเล็กๆน้อยๆขุนๆ ไม่ขุนมากเหมือนจิตนะพอมีผัสสะขึ้นมามันก็ปลุงขึ้นมาปลุงชั่วก็เหมือนมันขุนมากมีแมงสาบขึ้นมาด้วยปลุงดีก็เหมือนตะกรอนเล็กๆน้อยๆซึ่งคนไม่มีปัญญาก็คิดว่ามันใช้ได้ยังใช้ได้ยังอยู่ในขายยอมรับได้แต่ผู้มีปัญญาก็เห็นสปกปรกมันสปกปรก งัจิตเรานะีปรุงชั่วเนะีก็สศกปลกมากแนละ้วปรุงดีก็สศกปลกน้อยหน่อยปรุงทุกก็สศกปลกมากนะปรุงสุข ก, ก็รู้สึกชอบไม่ค่อยโศกปลวกแล้วดีละความจริงปรุงความปรุงแต่งนะั่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมทั้งสิ้นเลยนะนี่เราหัดภาวนานะเราจะค่อยๆแยกแยกเอาสิ่งปรุงแต่งสิ่งแอบแฝงออกไปคล้ายๆค่อยๆตักน้ําตักน้าําใสๆออกมา น้ำขุนขุนทิ้งไปตะกรอนทิ้งไปล้างตุ่มแต่ล้างเป็นคลาวลนะเหมือนทําสมถ ะ, ะล้างตุ่มเป็นคลาวลล้างจิตใจจิตใจมีกิเลสแรงๆไปทําสมาธิสงบชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ตกตะกรอนอีกทํำยังไงถึงจะหมดจดหมดภาระต้องทุบตุ่มให้แตกโอ้ยังมีตุ่มอยู่นะมีน้ําอยู่ตะกรอนก็มาอีกนะ จะดีจะวิเศษแค่ไหนก็มาอีกอะ่ะสุดท้ายต้องทุบตุ่มให้แตกนะภาวนาขั้นสุดท้ายทำลายตัวผู้รู้ทำลายจิตตุ่มมันมีเปลือกหุ้มนึกออกไหมมันเลยขังน้ำได้จิตนี้นมีอาสวะห่อหุ้มอยู่มันก็เลยเป็นจุดเป็นดวงขึ้นมามีขอบมีเขตมีจุดมีดวงอยู่นะทุบ ม, มันแตกแนละ้วกระจายออกไปน้ำอาจจะระเหยหเต็มโลกธาตุไปเลย จิตน one, hmm. anyway. like ี้เหมือนกันนะจิตม like ีเปลือกหุ้มคืออาสวะกิเลสในห่อหุ้มกิเลสอยู่ห่อหุ้มจิตอยู่มีอาสวะเนี่ยเป็นเปลือกหุ้มไปเลยมีอนุสัยเป็นตะกอนซ่อนอยู่พอมีผัดสาขึ้นมากิเลสหยาบก็เกิดขึ้นมาถ้าปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงสุขบ้างปรุงทุกข์บ้างถ้าละเอียดขึ้นมาก็เป็นส่วนดีปรุงหยาบก็เป็นส่วนชั่วก็ปรุง ถ้ามันหยามากนะเป็นส่วนของเป็นทุกข์หยาบพอประมาณเป็นสุขเนี่ยมันละเอียดมากๆนะเป็นอุเบกขาเป็นความปรุงทั้งสิ้นเลยนะอาศัยว่ายังมีขอบมีเขตของจิตอยู่นะต้องภาวนาจนเกิดปัญญาแจ่มแจ้งนะตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์แจ่มแจ้งนะแจ้งตัวนี้ทำลายตัวจิตลงไปไม่มีที่ที่กิเลส จ, จะแฝงตัวอยู่อีกนะทำลาย ตัวรู้ลงไปแล้วจะไม่มีที่ให้กิเลสแฝงตัวอยู่แต่ตัวนี้อยู่อยู่อย่าไปรีบทำลายนะหลวงพ่อเคยเขียนตอนก่อนจะบวชเขียนเขาเรียกอะไรนะลืมละกระทูใช่ไหม เ, ออเขียนไว้ตามอินเทอร์เน็ตนั้นกะ็เล่าว่าหลวงปู่ดุลสอนนะว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตจึนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเขียนไว้แบบนี้แล้วคนก็ไปรวมพิมพ์กันมานะ มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยบางคนนั่งุงสารนะไปรวมสีล็อกเอาเป็นแฟ้มๆนึงมีสองแฟ้มใหญ่ๆขนาดนี้ที่ตอนหลวงพ่อบวชมีพวกเราไปรวมพิมพ์มานะั้นิดเดียวนะนะั้นิดเดียวแต่พอพิมพ์ออกไปเนี่ยคนได้อ่านมีพระอ่านเหมือนกันาพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจชื่อจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้ จ, จริงมีวันหนึ่งตอนอยู่สวนโพมีพระมาหาท่านเดิน่างนี้นะ บอกท่านเป็นอะไรอะ่ะผมทำลายผู้รู้ไปแล้วบอกท่านทำลายสติไปต่างหากอย่าเพิ่งรีบทำลายนะต้องเอาไว้ก่อนยังไม่ขึ้นฝั่งอย่าเพิ่งทิ้งเรือตัวผู้รู้เนี่ยเหมือนเรือนะแต่ขึ้นฝั่งแล้วแบกเรือไปก็โง่แล้วใช่ไหมเอาไว้ถึงฝั่งก่อนค่อยจิ้งเรื อ, อไว้ภาวนาหมดธุระก่อนมันทิ้งจิตเองแล้วิ้งจิตแล้วมันจะกลายเป็นธรรมะ ธรรมะล้วนๆไม่ใช่เป็นจิตเป็นใจอย่างที่เคยเป็นนะจะเป็นธรรมธาตุธรรมธาตุเนี่ยไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงนะเป็นเนื้อเดียวกับความว่างของจักรวาลรวมเข้าด้วยกันจากความว่างของจักรวาลนะไม่มีบวกไม่มีลบนะไม่มีอะไรแต่มีอยูนะ่งั้นถ้ายังไม่ถึงก็อย่าเพิ่งทิ้งอาศัยตัวผู้รู้มีตัวผู้รู้มาก่อน เอาตัวผู้รู้มาเรียนรู้ขันได้ตัวผู้รู้มาเรียนรู้ขันเห็นความจริงของขันว่าเป็นไตรลักษณ์ดูแล้วดูอีกนันแะดูไปเรื่อยเบื้องเริ่มต้นจะเห็นขันไม่ใช่ตัวเราขันไม่ใช่เราเมื่อไรเห็นขันไม่ใช่เราได้พระโสดาไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกจากขันห้าไม่มีเราที่ไหนเลยขันห้าก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ขันห้า ไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกเหนือขันห้าไม่มนะีความเป็นเราเป็นความรู้สึกที่เกิดจากจิตปรุงขึ้นเป็นเราคลาลาจิตหลงจิตโง่จิตปรุงเป็นเราขึ้นมาเป็นเราคลาลานะเนี่ยการที่เราเรียนรู้ธรร ม, มา ก, กับครูครูของเราคือกายกับใจรูปนามเรียนรู้เรืถ้าเห็นทั้งรูปทั้งนามนะตกอยู่ใต้ใจรักมันนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นมีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวร ไม่มีเราถาวร น, นั่นเองถ้าเห็นอย่างนี้ได้ได้พระโสดาบันถ้าจากนั้นภาวนาต่อไปอีกสตรีมจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะภาวนาเนี่ยจิตไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเพรากเราตอนนี้จิตไหลแวบรู้สึกได้ยังนะบางคนได้แล้วนะั้นแต่ยังไม่ตัดยังไม่พอนะไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปเรื่อยจิตไหลได้เองหดูออกไหมจิตรู้สึกเองรู้สึกไหมหรือยังจงใจรู้สึก บางคนยังต้องจงใจรู้สึกบางคนรู้สึกได้เองนะถ้ายัางจงใจรู้สึกนี่สติยังอ่อนถ้ามันระลึกขึ้นได้เองรู้สึกขึ้นได้เองนะี่สติเข้มแข็งอัตโนมัติต้องฝึกนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นในกายเขารู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตเขารู้สึกนะสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่ถ้าล้างความเห็นผิดไปแล้วนะสติเร็วนะเร็วมากมากเลยนะมันเป็นภูมิธรรมของพระสกท า, า่ะ แต่จิตไหลอุตรุดเลยนะอย่านึกว่าพระสกทาคาจิตนิ่งบางคนน่ะอุตรีมากเลยยังไม่ทันจะได้โสดาเลยทําจิตซะนิ่งเลยพระสกทาคาจิตยังไม่นิ่งเลยยังไหลแวบแวบแวบแวบอยู่งี้ยนะเพราะอะไรเพราะกามยังยั่วจิตได้รูปเสียงกยลิ่นรสปุถะพาทั้งหลายยังยั่วจิตได้กามมาธทำ คือความะระลึกความจําได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัก็ยังยั่วจิตได้การมาทําไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑเป็นธรรมอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์เกี่ยวกับกามมันยั่วทำให้จิตไหลออกไปอยากดูรูปจิตก็ไหลไปทางตาอยากได้ยินเสียงจิตก็ไหลไปทางหูนะอยากเรีรู้เรื่องอะไรก็จิตไหลไปอยู่ในโลกของความคิดจิตไหลเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะจิตไม่ตั้งมั่น ตัวนี้แหละที่เรียกสมาธิน้อยเข้าฌานเก่งแต่สมาธิอ่อนท่านเคยบอกนะพระนาคาสมาธิบริบูรณ์ใช่พระโสดาสมาธิน้อยปุถุชนเข้าอารุปรชานได้มีไหมมียมเยอะแยะไปนะือศีชีพไรอาราธดาบทุทกดาบทุ่งใดนี่นะเข้าอารุปรชานได้ทำไมท่านบอกว่าพระโสดาสมาธิน้อยปุถุชนยังสมาธิเยอะเลย สมาธิคนละยี่ห้อกันสมาธิคนละตระกูลกันสมาธิที่ปูถุชนว่ามีมากมากนะมันคืออารมณูปนิชานเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเพ่งอยู่ในอารมณ์ของรูปธรรมเพ่งอยู่ในอารมณ์ของอรูปธรรมส่วนสมาธิที่ว่าพระโสดามีน้อยพระสกทาคามีน้อยลัคนูปนิชานจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน งนพวกเราต้องน้อยอย่างยิ่งนึกออกไหมวันหนึ่งรู้สึกกี่ทีหลวงพ่อเคยถามนะว่าไม่กี่วันนึงถามว่าสติเกิดบ่อยไหมรู้สึกได้บ่อยไหมบอกรู้สึกได้ห้าครั้งโอ้นาทีละห้าครั้งใช้ได้บอกไม่ใช่วันหนึ่งห้าครั้งไอ้วันละห้าครั้งใช้ไปได้หน่อยน้อยไปหัดรู้สภาวะเรื่อยนะสติเกิดทียิบขึ้นมายนะ พอจิตไหลรู้สึกไหลรู้สึกไหลรู้สึกเนี่ยแต่ไปจิตค่อยตั้งมั่นขึ้นมานตรงที่จิตไหลออกไปนี่จะเห็นได้ว่าเป็นทุกข์จิตตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนไม่ทุกข์นี่เห็นอย่างนี้นะไหลไปหารูปหาเสียงหากลิน่นหารสหาปดทัพทะคือไหลไปในรูปทั้งหลายในกามทั้งหลายนั่นเองไหลไปหลงในกามอะไรก็ทุกข์อันนั้นนะ่ะไปหลงดูรูปก็ทุกข์พระรูปนะ ไปหลงรักรูปก็ปทุกเพราะรูปไปหลงเกลียดรูปก็ทุกเพราะรูปไปหลงรักเสียงนะก็ทุกเพราะเสียงไปหลงเกลียดเสียงก็งทุกเพราะเสียงอีกนี่จิตมันเห็นอย่างนี้เลยเห็นเลยรูปเสียงกลิ่นรสผลทพพ่าทั้งหลายไร้สาระหาคุณค่าหาแก่นสารไม่ได้อันนี้เห็นความจริงของรูปแล้วรูปนี้ไร้สาระจิตปล่อยวางไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรผสผลทพพ่าเมื่อไม่ยึดรูปเสียงกลิ่นรสผลทพพ่าไม่รักตาหูจมูกลิ้นกายแนะ เรารักตาก็เพราะเราอยากเห็นรูปนะเรารักหูเพราะเราอยากได้ยินเสียงถ้ารูปเสียงกลิ่นรถโพธิะ้านําความทุกข์มาให้ไม่ค่อยรักแนละ้วอย่างถ้าเรามีตาแล้ว เ, เห็นแต่ของน่าเกลียดน่ากลัวตลอดเวลาไม่อยากมีตาเท่าไหร่หรอกที่อยากมีตาเอาไว้ดูใจ ต, ต่อไรนะเพราะมันยังได้เห็นของสวยของงามถ้าเห็นแต่ของน่าเกลียดไม่อยากมีนะแต่บางทีก็ต้องมีเพราะว่าอาศัยใครเป็นโรคปุ่มแพ้บ้างไม่ค่อยได้กลิ่น ไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรแต่อะไรเนี่ยจมูกไม่ค่อยดีถ้าบ้านเราอยู่ข้างกองขยะกอธรมจมูกไม่ได้กลิ่นเสียใจไหมไม่เสียใจถ้าบ้านเราอยู่ข้างสวนดอกไม้สวนดอกไม้ไหมกลิ่นมันดีถ้าไม่ได้กลิ่นนะเสียดายก็ถ้าเห็นโลกนี้แจ่มแจ้งนะรูปเสียงกลิ่นรถปวดทพัชทั้งหลายนำความทุกข์มาใหนะ้มันไม่รักลนะ ตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่รักนะเวลาเจ็บป่วยมากๆเคยเห็นไหมคนป่วยหนักๆทรมานมากๆอยากตายทําไมไม่รักรูปแล้วล่ะเพราะนํามันนําความทุกข์มาให้เนี่ยถ้าปัญญามันพอนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายนําความทุกข์มาให้มันจะไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยภูมิธรรมของพระอนาค า, าคนไหนที่ถนัดเรื่องรู้รูปนะก็จะเห็นในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนําความทุกข์มาให้ไร้าสาระ คนไหนถนัดรู้นามบรรู้ผ้าหนักขาได้ไงดูแต่จิตอย่างเดียวบรรู้ได้ไหมไม่ได้ดูรูปแล้วจะเห็นแต่รูปเป็นของไม่ดีของไม่ไม่วิเศษดูจิตอย่างเดียวก็ไปได้นะเห็นไหมจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตมีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่จิตหมดอยากเลยรู้ว่าอยากแล้วทุกข์นะอยากอะไรอยากเห็นรูปอยากได้กลิ่นอยากได้ร้อนอยากได้สัมผัสอยากกระทบอยากทีไรทุกๆที พวกที่เดินจิตนะใช้จิตตามรู้ศาสนาเป็นหลักนะมันจะเข้ามาสู่ภานาคาตรงนี้พวกที่รู้รูปก็จะเห็นในรูปเสียงกลินล่นรสฝดทับพระตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษพวกที่ดูจิตเนะี่ยจะเห็นในจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกขนะ์มันเดินมาได้ด้วยกันทั้งคู่เลยนะสุดท้ายคือมันไม่ยึดอนะไม่ยึดในรูปไม่ยึดในรูปเพราะอะไรเพราะเห็นมารูปนะั้นไม่ใช่ของดีของวิเศษ ถ้าหลงไปยึดอยู่เราทุกข์หรือตัวมันเองก็ไม่ดนะีพวกรู้กายจะเห็นตัวรูปมันไม่ดีพวกที่หัดดูจิตนะจะเห็นถ้าไปยึดรูปแล้วจะทุกข์เลยไม่ยึดนะใจไม่จะตั้งมั่นเด่นดวงเนี่ยสมาธิบริบูรณ์แล้วใจไม่ค่อยไหลแล้วเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะัดจากนั้นเนี่ยภาวนาต่อมาอีกนะเข้ามาที่จิตแล้วหลวงปู่ ด, ดุลเคยบอกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติมาเสร็จตรงเนี้ยเกือบหมดเลย หาคนที่ผ่านด่านนี้จริงๆหายากมากท่านเลยสั่งหลวงพ่อนะสั่งแล้วสั่งอีกนะว่าจําไว้นะจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําเออจําไว้สั่งอย่างนี้นะจําไว้งั้นเราก็รู้ว่าเออภาวนาเข้ามาจะมาถึงตัวจิตผู้รู้แล้วนะอย่าไปหลงความสุขตรงนี้มันยังเป็นของยังมีท่า ทางเดินต่อไปอีกยังไม่ถึงที่สุดต้องปล่อยตัวนี้แต่หลวงปู่ดูลไม่บอกว่าทำยังไงจะปล่อยหลวงปู่ดูลเนี่ยเวลาสอนหลวงพ่อนะจะบอกแต่เป้าหมายไม่บอกวิธีการบอกเป้าหมายให้เลยไปดูจิตไม่บอกวิธีดูไปทำลายผู้รู้ไม่บอกวิธีทำลายโอเราต้องหาเอาเองนะต้องเรียนเอาเองเรียนแล้วรักท่านนะพระคุณท่าน ล้นหัวล้นกล้าเลยนี่มีคนที่สุดินมาทํางานอยู่เมืองชนแต่อยู่หลายสิปีแล้วนะั่นก่อนเข้ามาหาเขาเขารู้จักหลวงปู่ดูลนะที่เข้าไปหาท่านแม่แม่เขาขายขนมจีนอยู่ข้างวัดราชบุญเขารู้จักหลวงปู่ตอนเขาจะไปลาหลวงปู่นะว่าห ล, ลวงปู่ หนูจะมาลาหลวงปู่ไปอยู่ชนบุรีหลวงปู่อ๋อไปอยู่เมืองน้ําเค็มหลวใช่ใช่เป็นเมืองน้ําเค็มอยู่ริมทะเลอีกหน่อยเราจะไปอยู่ <c oughs> ลูกศิษย์เราจะเอาธรรมะเราไปเผยแพร่หูบอกมาตั้งสาสิบปีแล้วนะตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่เจอท่านเลยท่านบอกว่าท่านจะมาเผยแพร่ธรรมะที่เมืองชน เขาบอกว่าเขาเปิดประตูเข้ามาเห็นรูปปั้นท่านตกใจเลยลงกราบเลยหลวงปู่มายืนอยู่นี่จริงๆเพิ่งมาเล่าเมื่อสักเดือนก่อนนี่งปลายปลายเดือนก็แปลกดีนะความรู้ของครูบาอาจารย์อาศจรรสุดท้ายม่ต้องทำลายผู้รู้นะเห็นทุกข์นั่นแหละเจอจิตนั่นแหละตัวทุกข์ทุกข์ก็ไม่เที่ยง ทุกข์พรถูกบีบคั้นทุกข์พบังคับไม่ได้อ้าวไปทานข้าวนี่มนเลยครับนี่มน